แลก็เดียวอะ ไ, ไรกันอย่าง ไ, ไรนอะไรนะทำดีกับคนดีการทําดีกับการเป็นคนดีต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรฉันย้อนไทีต่างกันอย่างไรเออเนี่ยคำถามเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้เป็นคนดีใช่แต่เราไม่เคยรู้ตัวว่าคําว่าเป็นคนดีนั้นมันมีขอบเขตอย่างไรอมีข้อจํากัดแค่ไหนหรือ อยู่ในลักษณะแห่งความดียังไรถึงจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าดีนั้นอะ่ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วเราจะเป็นคนดีตามดีที่เข้าใจว่ามันเป็นเป็นได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าข้อนิยามคาว่าดีนันอะ่ะมันอยู่ที่ไหนถ้าเรามาบอกว่าดีคือตรงข้ามกับชั่วนะ แล้วชั่วมันคืออะไรชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีนัก็ตรงกันข้ามอีกแล้วดีมันคืออะไรทีนี้ในคําว่าดีเนี่ยแต่และคนมีความดีในทัศนะของใครของมันความดีในชั้นของพระภิกษุก็เป็นความดีอีกชั้นหนึ่งความดีในชั้นของฆราวาสก็เป็นความดีอีกชั้นหนึ่ง ความดีในชั้นของพระภิกษุเช่นเป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลดีไหมดีค่ะหากไม่ดำรงอยู่ในศีลดีไหมไม่ดีไม่ ด, มดีแล้วถ้าหากมีพระภิกษุ <c oughs> ซึ่งดารงอยู่ในศีลแล้วเราบอกว่านั่นคือภิกษุที่ดีพอเราไปเห็นภิกษุที่ไม่ดำรงอยู่ในศีลแล้วเราบอกว่าภิกษุที่ไม่ดี เราสรรเสริญภิกษุที่ดีแล้วเราด่าภิกษุที่ไม่ดีเราเนี่ยดีไหมไม่ดีฮะไม่ไม่ต้องด่าเลยอ้าวไม่ด่าด่าในใจก็มีนะคนมันด่าในใจก็มีใช่ฮะถามว่าเราดีไหมไม่ดีเอาไม่ดีได้ยังไงก็สรรเสริญภิกษุที่ดี ก็พิกษุไม่ดีก็ด่าบ้างจะเป็นอะไรไปไม่เป็นอะไรเป็นเรื่องของเขาไปบ้าทำไมไปว่าเขาทาไมเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วถ้าโยมตั้งอยู่ในศีลห้าดีไหมดีดีแล้วโยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลห้าดีไหมไม่ดีไม่ดีเห็นไหม เรามีความดีที่แยกหรือไม่แยกออกออกออ ก, ออกเขียนได้ชัดแล้วใช่ไหม ค, คนไม่มีศีลห้าแต่ไม่ว่าร้ายใครไม่กล่าวร้ายใครไม่ปรารถนาร้ายให้ใค ร, ร, ร, ใใครดีไหมดีเอาเมื่อกี้บอกว่าไม่มีศีลห้า <c oughs> ไม่ดีอะ่ะ <c oughs> เอาอยัางไงอ่ะ <c oughs> มันดีแบบไหนกันแ น, น่อะไหนเอาไหนจะเอาไหนแบบดีอะ่ะเอาปวดหัวเลยปวดหัวเอาแค่ น, นี้ก็ปวดเลยถ้าคําว่าดีเราเรายังปวดหัวเลยอมันดียังไง <c oughs> ถามว่าคนรักษาศีลเต็มที่ ไม่ละเมิดอ่าไม่ละเมิดสีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพืชผิดไอกรมไม่โกหกไม่ดื่มสุราแต่ไปด่าคนที่ละเมิดศีนว่าไอ้เล้วไอ้ชั่วมันไม่มีศีลไอ้ที่รักษาสีนดีไหมไม่ดีเอ้าก็เมื่อกี้บอกว่าคนรักษาสีนดีก็ทำไมก็ไปด่าเขาด่าเขาอ่ะเาว่าเขาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ใครเป็นคนดี เพราะเราจะเอามาตรฐานของความดีมาสร้างอัตราภายในตัวเราถ้าเราเป็นคนดีเมื่อไหร่เราจะเอามาตรฐานแห่งความดีมาสร้างอัตราภายในตัวเราแล้วเราจะใช้อัตราในตัวเราไปกําหนดหมายผู้นั้นผู้นี้หรือไปตัดสินคนนั้นคนนี้ด้วยทัศนาคติดีๆในตัวเรากับคนอื่นเราจะมองเห็นคนอื่นตรงข้ามกับเราแต่พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักการทําดีเข้าใจไหมไม่ต้องไปเป็นคนดีและไม่ต้องเอามาตรฐานแห่งความดีไปชี้โทษคนนั้นคนนี้ แต่ทำความดีเพื่อให้ตัวเองเจริญในความดีเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนคนที่ไม่ดีล่ะคนที่ไม่ดีก็ไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาก็เขายังไม่สามารถทำดีได้เขาก็ต้องทาสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเข้าใจไหมความแตกต่างกันมันแตกต่างคนตรงที่ว่าเวลาเป็นคนดีมันจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเป็นอาตมา เวลาเราทาทำดีแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนดีเราก็ทำดีเพราะศรัทธานในความดีเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นมันดีและสิ่งนั้นทาเราจะไปสู่ความเจริญในทางที่ดีได้เราก็ทำความดีจึงไม่สามารถจำกัดได้ว่าดีหรือไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรจำกัดไม่ได้จำกัดได้แต่ว่า สิ่งที่เราทําอย่างใดก็ตามทางกายวาจาหรือใจสิ่งนั้นไม่ประกอบไปด้วยโทษไม่ประกอบไปด้วยความเดือดร้อนกับคนอื่นไม่มุ่งพอดคนอื่นไม่ทําความเดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายคนอื่นเข้าใจไหมทําไปเถอะอะไรก็ตามถ้าไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายกันและกัน ยังอยู่ในขอบเขตของเข า, าดีทําดีได้แต่อย่าไปเป็นคนดีอพอถ้าเราไปเป็นคนดีผู้เราจะทุกข์ทุกข์เพราะการเป็นคนดีมีอยู่นะกูดีกูดีมึงไม่ดีทุกข์อยู่ทุกข์นั่นเนองกูดีกว่ามึงนี่ก็ทุกข์นั่นแนหะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปเราอย่าไปว่าใครไม่ดีง่ายๆเพราะคนไม่ดีบางคนบางทีก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่คนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยกายวา จ, จารหรือใจผู้เจ้าไม่สารเสริญคือไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ดี<ม>เพราะในโลกนี้ไม่ควรที่จะเบียดเบียนกันไม่ควรที่จะทําร้ายกันไม่ควรที่จะมุ่งร้ายปรารถนาร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันผู้เจ้าจึงสอนให้เราทําดีโดยมีใจเมตตาต่อกันและกันอยู่เสมอพอแยกแยะออกหรือยังอ๋แยกแยะออกแล้วเป็นคนดีหรือจะเป็นผู้ทําดีผู้ ไม่ต้องไปเป็นคนดีดเป็นผู้ทำดีแล้วอันไม่ดียังทำอยู่ไหมอันไม่ดีก็ทำทถ้ามันไม่เดือดร้อนใครเขออ้าใจไหมถามว่าเอาแล้วถ้าท่านอาจารย์สอนอย่างนี้ว่าไอ้ไม่ดีก็ยังทำได้อยู่งั้นอาจารย์ก็สอนให้สอนให้คนอะไรสารเสริญให้คนทำไม่ดีเหรอ ไม่ใช่ว่าสารเสื่อมในความหมายว่าอันไม่ดีทําได้นั่นน่ะไม่ได้พูดเพื่อสารเสื่อมเพื่อให้เราไปทําอันไม่ดีต้ อ, อย่าังไงแต่หากเรามาจํากัดขอบเขตตัวเองอยู่เพียงว่าเราจะต้องทําดีเท่านั้นความไม่ดีเราจะไม่ละเมิดเลยหากเรามาจํากัดอยู่เพียงเท่านี้อาตมาขอถามว่าในชีวิตจริงของเราเราสามารถทําดีปุ๊บุ๊ขณะโดยไม่พลาดคั้งเลยได้ไหมไม่ได้ แล้วถ้ามีการเผลอพลาดรั้งไปก็เท่ากับว่าทําลายข้อจํากัดที่ตัวเองตั้งไว้แล้วพลาดรั้งทําสิ่งที่ไม่ดีไปเกิดอะไรขึ้นเราตําหนิตัวเราเราว่าร้ายตัวเราเราไม่พึงพอใจในตัวเรานึกอลังเกียจเดียดฉันไปในตัวเองนึกกินแหนงแคงใจอยู่ในตัวเองบางคนยอมรับอันที่ไม่ดีของตัวเองไม่ได้ว่าเพราะทไมเราไม่ดีอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนั้นพลาดทั้งในการทําสิ่งที่มันไม่ดีไป ด้วยอำนาจกิเลสบางอย่างด้วยการผูกชักจงูงชักจงูงชักชวนหรือด้วยการขาดสติหรือเผลอสติหรืออารมณ์เชี่วบุกจะ mm hmm. ไม่หล่ะพาดไปมาสำนึกในภายหลังกูไม่น่าทําอย่างนั้นกูไม่น่าทำนี้จมอยู่กับอารมณ์ที่เป็นความผิดที่เป็นโอ๊อยู่ในห่วงของอารมณ์เหล่านั้น mm hmm. ก็กลายเป็นคนที่เสียสติไปก็มีนะเป็นอย่างนั้น พอเข้าใจหรือยังที่พูดถึงไหมว่าที่ที่พูดถึงบอกว่าเราเราก็ต้องอเปิดช่องเผื่ อ, อไว้เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นว่าเมื่อมีความผิดพลาดขึ้นเมื่อไรต้องสามารถให้อภัยตัวเองได้ไม่เป็นไรตั้งใจใหม่สํารวมใจใหม่ฝึกใจใหม่เพื่อได้จะทําดีให้ได้อย่างติดต่อเนื่องเพราะคนเราไม่สามารถทําดีได้อย่างติดต่อเนื่องไปได้ตลอดชีวิตเขาอย่ั้นแต่เราจะทําดีมากกว่า การที่จะปล่อยจิตให้พลพดไปทําสิ่งที่มันไม่ดี <ST AR mortgage> นะนี่ยคือความหมายในความหมายของพระพุทธเจ้าที่ต้องการจะให้เราทราบพงศ์จึงบอกว่าชีวิตเป็นไปนตามการกระทําเรียกว่าเป็นไปนตามกรรมนั่นเองทําดีเราได้ดีหากเราอยากได้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ไปทําอันที่ไม่ดีหรือแม้เราไม่อยากจะได้อันสิ่งที่ไม่ดีแต่เราทําอันไม่ดีไว้เราก็ต้องรู้จักยอมรับอันที่ไม่ดีการยอมรับเราเร า, เราการยอมรับอันที่ไม่ดีเราเราจะรู้จักการ ที่จะฝึกใจในการที่จะทำดีในภายหลังได้เข้าใจไหมอ๋อเราได้รับโทษเพราะความไม่ดีที่เราทำอย่างนี้นีเองต่อไปเราก็จะไม่ทำอย่างดีทำไม่ดีอย่างนี้อีกอย่างนี้มันจะสามารถฝึกใจตัวเองที่จะ ห, ห้ามตัวเองไม่ให้ไปทำไม่ดีได้นั่นหมายถึงพระองค์ทรงสอนเหตุผลไว้เป็นกลางๆทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีทำไม่ดี แล้วได้ดีมีไหมมีมีแต่ได้ดีไม่ใช่ใบได้ดีเพราะทำไม่ดีเข้าใจไหมแต่ขณะที่ทำไม่ดีแล้วมันเกิดได้ในสิ่งที่ดีมาแต่ให้เข้าใจว่าอันที่ได้ไม่อันที่ได้ดีมานั้นไม่ได้มาจากเพราะเหตุแห่งการทำสิ่งที่มันไม่ดีแต่ในขณะที่ได้ดีนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการทำ ไม่ดีในในบางคราวหมายถึงว่าความดีมันจะอาํานวยผลอยู่แล้วเนี่ยนะความดีมันจะอาํานวยผลอยู่แล้วเมื่อความดีมันอานํานวยผลอยู่เวลาเราไปทําไม่ดีในขณะนั้นในขณะเวลานั้นน่ะผลไม่ดีมันยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดไม่เกิดแต่มันยังไม่เกิดตอนนั้นเพราะอํานาจแห่งความไม่ดีกําลังให้ผลอยู่มันจึงดูเหมือนว่าในขณะที่ทําไม่ดี ทำไมยังได้ดีเนี่ยทําไมมันไม่เห็นเร็วในหน้าต า, ตาเราอะไรทบบนี้ยแล้วบางขณะที่เราทําดีมาตลอดแต่ทําไมเรารับอันสิ่งที่มันไม่ดีแต่ก็ให้เข้าใจว่าเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั้นมาจากการที่เราทําไม่ดีแต่บางก่อนไม่ใช่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราทําดีต้องเข้าใจอย่างนั้นนะคือระยะเวลาการให้ผลมันมันไม่ได้ประจวบกันเสมอไปไม่ใช่ว่า ทำดีจะได้ดีขนาดนั้นเสอมอไปไมีแค่อย่างนั้นนะทำดีอาจจะไม่ได้ดีในขนาดนั้นแต่จะได้ดีในขนาต่อไปตอนนี้ได้อันที่ไม่ดีในเพราะเหตุแห่งการทำไม่ดีแต่ปางก่อนมาก่อนเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อที่เป็นขนาดนี้เพราะทำไม่ดีในปางก่อนมากอย่างเงี้ยต้องฉลาดในเรื่องพวกนี้นะถ้าเราไม่ฉลาดในเรื่องพวกนี้เราจะหลงกับสภาพการแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตเพราะมันจะมีคนมองไม่ออกในหลักของการให้ผลของกรรม ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีองไปก็เห็นไงเนี้ยก็าพูดกันงเี้ยจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่มีบุญมากที่กำลังจะให้ผลบุญอยู่ตัวอย่างเช่นผู้ที่มีบุญมากอยู่ในฐานะของสูงส่งที่สุดในภพมนุษย์คือใครถ้าเราจะมองก็คือความเป็นกรรษัตนระิย์นันความเป็นกรรษัตริย์หรือยอยู่ในตแหน่งชั้นสูงพวกเนี้ย ที่มนุษย์ให้การยอมรับโดยส่วนมากนะให้ก่อนยอมรับคือเป็นประมุขของประเทศอะง่ายๆเป็นเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าอยู่หัวอะไรพวกเนี้ยนั่นคือคนที่มีบุญมากถึงจะได้ไปดํำรงอยู่ในตําแหน่งนั้นหรือไปอยู่ในสภาพฐานะอย่างนั้นพระราชาหรือมาาหากษัตริย์กระทาไม่ดีบางอย่างกล่าวโทษได้ไหมฮะกล่าโทษโทษได้ แก่ควรไปไหนตามวนได้เราก็ไม่สมควรไปยุ่งหรอไม่ได้เห็นหพ่ออะไรอนุภาพของความดียังให้ผลอยู่เห็ไหมสามารถที่จะตัดสินมหารชีวิตใครก็ได้สามารถสั่งการฆ่าใครก็ได้อย่างเช่นพระเตมีพระเตมีใบระลึกชาติได้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นกษัตริย์สั่งฆ่าคนอยู่อยู่ยี่สิบปีเป็นกษัตริย์มยี่สิบปีนะฆ่าก็ฆ่าพวกโจรผู้ร้าย พวกขโมยพวกอาชญากรอาชญากรรมฆาตรกรต่งตางๆสังฆาพวกนั้นนักโทษก็ไม่เห็นได้รับโทษอะไรใช่ไหมล่ะเพราะบุญนั้นยังให้ผลอยู่แต่เมื่อลาชีวิตไปแล้วไปตวตนรลอยู่สองหมืนปีเพราะการสางังฆา<อ>คุ้มค่าไหมไม่คุ้มเพราะนั้นการได้รับโทษในภายหลังมันมีอยู่ เพราะอะไรเพราะเหตุแห่งการทําไม่ดีเข้าใจไหมผู้เยาทรงสอนหลักของกรรมเป็นกลางๆเป็นกลางๆหมายถึงว่าทําไม่ดีก็ต้องได้รับอันที่ไม่ดีแน่นอนทําอันดีก็ต้องได้รับอันดีแน่นอนแล้วถ้าได้รับทั้งดีและไม่ดีปะปนกันมาเช่นถูกหวย60ล้านปรากฏว่า <c oughs> พ่อถูกอุบัติเหตุ <c oughs> เสียชีวิต จะดีใจหรือจะเสียใจในเวลาเดียวกันฮะจะเสียใจหรือเนาะถูกหวยสิบสองล้านไม่ดีใจเหรอไม่ดีใจจะเสียใจมากกว่าเสียใจเพราะไม่ได้ใช้เงินเสียใจว่าพอไม่ได้ใช้เงินกับเราอโถกัะตันยูจัง ก็มันมันมีเหตุหลายอย่างที่เราจะต้องพยายามทําความเข้าใจศาสนาพูดธเป็นศาสนาของการคบคิดด้วยปัญญาต้องทําความเข้าใจและคบคิดที่ถูกต้องหากเราไม่สามารถคบคิดด้วยปัญญาให้ถูกต้องได้เราก็จะไม่เข้าใจหลักคําสอนที่พองค์ทรงสอนว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทําดีได้ดีแน่นอนใช่ไหม แต่ไม่ต้องไปเป็นคนดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนแต่อย่าไปเป็นคนชั่วเอใ็ใไหมแค่นี้ไม่ต้องไปเป็นคนดีบางคนบอกอหนูจะเป็นคนดีหนูจะเป็นคนดีมันแค่จะเป็ น, ปนก็ไม่มีโอกาสเป็นสักทีมันมีแต่จะเป็นแต่ถ้าทำดีเลยมันดีแล้วใช่ไหม ไม่ต้องบอกว่าจะเป็นคนดีใช่ไหมทําดีขนาดนั้นเลยแม่เรียกใช้งานนี้องเพลงมาหาแม่น้อยตัดคําว่าเดี๋ยวทิ้งชีวิตจะราบรื่นขึ้นเยอะเ ด, ยเดี๋ยวก่อนใชไหเดี๋ยวก่อนตัดทิ้งไปเลยชีวิตจะราบรื่นขึ้นเยอะอะไรก็จะง่ายขึ้นเยอะชีวิตก็จะไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเาบอกว่าเดียวเดียวเดียวกับพ่อกับแม่ดีไหมไม่ดีเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องอีกทีเนี่ยมึงไม่มาอีกเหรอเนี่ย ได้ฟังเสียงซ้าๆเนหูอยู่ไปสูบหรอกหูเนี่ย <c ười> <c ười> ทำอะไรอยู่ <c ười> กําลังก <c ười> ํากลังอยู่ <c ười> หน้าจออยู่ <c ười> เดี๋ยวก็หน้าจอกับโโพะทีนี้เห็น <c ười> ไ, ไหมมันไม่รับเรื่องหรอกชีวิตอ่ะตัดคำว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะง่ายขึ้นได้หลายอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามจำไว้เลยชีวิตเร า, <c ười> าคาว่าเดี๋ยวอย่ายให้มีเวลาตามมา อยู่กับพระเนี่ยสั่งพระให้ทำอะไรถ้าพระองค์ไหนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวได้ยังไงหลังๆมาไม่ขี้เกียจเอ็ดพระนะแต่รุ่นก่อนๆเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวนี่โดนเลยอ า, ามาธรรมะซัดเลยทันทีแต่ทุกวันนี้มันธาตุขันนั้นอ่อนลงเดี๋ยวสั่งมากเข้ามันมีปัญหาขึ้นมาร่างกายเราไม่แข็งแรง ่แต่ตอนที่แข็งแรงอยู่ไม่มีใครกล้าเหือนี่หือไม่ได้ต้องทำเลยเหอต้องทาเลยไม่ทำมาเสร็จโดนอ่ะต่อมาแต่ไม่ได้ทำอะไรใครแต่ก็มีบ้านข้าหาดมันเกินขอบเขตก็มีลงไม้ลงอ๋าถึงขนาดนั้นเลยเหรอการสอนคนตายไหม การสอนคนมันมีต้งครบถ้วนทั้งบูทั้งบุญแต่ตอนนี้ที่อยาสอนใครไม่ไม่อยากจะแสดงอะไรไ<ม>การเข้าไปบังคับคนมากให้ใช้ปัญญาเอาเองเห็นไหมสวนมากแ ม, ม้แต่ลูกุกลุกศิ์เองก็ตามถ้าเป็นแต่ก่อนอนะาตมาไม่ได้เด็ดขาดช่วงหลังมาท่าทานอ่อนเองยังต้องยังต้องอาศัยความการุณาจากคนอยู่ เป็นอย่างงี้แหละแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งมันสามารถที่จะคลายออกได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่ไหวก็คือมันไม่ไหวถัดขันนี่นะมันไม่ไหวก็คือไม่ไหวไม่คือสอนคนไปแต่เราลําบากอย่างเงี้ยเราลําบากอยู่เราสอนไปแต่ตัวเราลําบากมันก็ไม่ได้เด็ยพราละอยู่แต่ผู้เดียวเงี้ยก็ใช้ไม่ได้ จากคำถามที่ได้ถามเข้ามาในเพจในการอธิบายธรรมะในครั้งก่อนๆมีการถามเข้าว่าการให้ธรรมะแชร์ธรรมะโดยคนกดไม่ชอบหรือแสดงความคิดด่ากล่าวร้ายดูถูกธรรมะถามคนให้ธรรมะรับถามว่าคนให้ธรรมะรับกรรมอย่างไรคนที่กดไม่ชอบและแสดงความคิดกล่าวร้ายดูถูกธรรมะรับกรรมอย่างไรสังเกตได้จากคนที่ ไม่ชอบใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็แสดงปฏิกิริยาต่อต้านไม่ยอมรับและมุ่งร้ายกล่าวร้ายพระ พ, พุทธเจ้าเขาได้รับผลอย่างไรบ้างพระเทวทัตได้รับผลอย่างไรบ้างพระเทวทัตได้ไปสอนไหม ใ, ในขณะที่ดำรงชีวิตยอยู่ในโลกมนุษย์นี้ที่ไม่พอใจในธรรมของพุทธเจ้าพระเทวทัตมีจิตใจสุขสงบดีไหม แล้วพระเทวทัตคิดที่จะมุง่งมุ่งที่จะเอาชนะผู้ได้เจ้าในทุกๆเรื่องบัญญัติข้อบัญญัติและละคําสอนขึ้นมาเช่นให้ภิกษุฉัน อ, อ, อ, อาหารในบาทตลอดชีวิตไม่ไปฉันอาหารในหมู่บ้านบิณฑบาตฉันตลอดชีวิตไม่สามารถไปฉันอาหารในหมู่บ้านได้ในบ้านคนบ้านได้ให้ภิกษุใช้ผ้าซ้ำพื้นตลอดชีวิตให้ภิกษุฉันแต่ผักอย่างเดียวไม่ฉันเนื้อหรือเปล่าฉันเจอย่างเดียวตลอดชีวิต ภิกษุอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตอย่างเงี้ยบัญญัติข้อบัญญัติที่นี้เข่งคัดขึ้นมาเพื่อให้อยู่เหนือเหนือข้อปฏิบัติที่วงทร ง, งบัญญตไิไว้ให้มีความเข่งเหนือกว่าพยายามจะเอาชนะพุทธองค์ถามว่าพระเทวทัตได้รับความสุขสบายดีไหมมีแต่วความดิบหลนเดือดร้อนทำไมเพื่อจ่เอาชนะเห็นไหม ผลก็เป็นอย่างนั้นมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในพระศาสนาแล้วคนที่ให้ธรรมะได้รับกรรมไหมพระพุทธเจ้าได้รับกรรมอะไรไหมไม่ได้รับพวกให้ธรรมะให้สิ่งที่ดีๆแต่คนที่ต่อต้านเป็นกรรมของเขาเองนะหรือแม้แต่สัญชัยปริภาชกแม้ฟังคําของพระุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ยอมไม่ยอมรับธรรมธรมะของพระุทธเจ้าภาษาลีบุตรกับพระโอคานาซึเป็นลูกศิษย์เห็นว่า คำสอนของสันชัยปริพาชคซึ่งเป็นอาจารย์ของตนนั้นไม่มีสาระแก่นสาร mm hmm. จึงเปลี่ยนที่จะนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรา mm hmm. ก็มากล่าวกับอาจารย์ว่าอาจารย์ควรที่จะไปกับพวกข้าพระเจ้าไปสํานักของพระสมณโคโดมของพระพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อศึกษาธรรมะและก็บวชอยู่กับท่านสัญชัยปริพาชกเราไม่ยอมรับท่ทานเถิดจะไปก็ไปเถอะ mm hmm. แล้วภาษาลีบุตรกับพวคาณะก็ไปไปกับสาวกกลุ่มละสองร้ยห้าสิบ ภาษารีบุตรมีบริวาร250พาโบคขรณะมีบริวาร2 250นะไปสมณะไปไปหาพทุทธเจ้าเรา250กับ 250, 250เป็นเท่าไร่500แล้วสันชัยปริพาชกก็มีลูกศิษย์อยู่เท่านั้นะ่ะภาษาลีบุตรกับโบกขรน่าพาไปบทเลยปรากฏว่าสันชัยปริพาชกเห็นลูกศิษย์ออกไปบทเลยเป็นยังไง ร, รู้ไหมกระอาบเลือด เสียใจไงไมหมดลอบสักละจากทุกสิบก อ, <c oughs> องโอมใจกระอักเลือดไงรับไม่ได้เลือดบีบหัวใจบีบบีบหัวใจมากแบเลือดพุ่งออกมาที่ปากเลยหัวใจบีบบีบมากเกินไปไงบีบจนเลือดมันพุ่งออกมากระชอออกมาที่ปากเลยปกติบีบปุ๊บเลือดมันดิง้งขึ้นไปซีสมองเนี่ยแหละอันนี้มันมันบีบมากเพราะมันมี กิเลสภายในใจเป็นเครื่องบีบจนเลือดดันดันอะไรเสร้นเลือดฝอยปลายประสาทออกมาทางปากเป็นเลือดแปลงออกมาคำว่าตัดบาทรักษาศีลนั่งสมาธิอะไรอุทิศบุญกุศลได้ถามพวกเราเนี่ยที่ศึกษาเราเรียนกับเราตามมา ตักบาทรักษาศีลกับนั่งสมาธิอะไรสามารถอุทิศส่วนกุศลได้คุยเจ้าสอนว่ายังไงเนะได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะตอบอย่างนี้ไม่ถูกต้องาบใช่ตักบาทเท่านั้นที่สามารถอุทิศส่วนกุศลได้ รักษาสีลุทิพได้<ส> ไ, ดไหมได้แต่แต่จะไม่ได้ไม่ได้ในลักษณะของการเสวยผลบุญที่เป็นวัตถุก็จะเป็นอริสูตรของสีมสมาธิอุทิศบุญได้ไหมได้แต่ก็จะไม่ได้เป็นผลบุญวัตถุอในชั้นของวัตถุเครื่องใช้สอยในภพทิพในในผู้ที่ละชีวิตไป เพราะผู้ที่ละชีวิตไปต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารเครื่องของผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไม่ต้องอผีคงไม่มีป่วยมั้งเปรตคงคไม่มีป่วยมั้งที่อยู่อาศัยหร <c oughs> อกที่อยู่อาศัยต้องต้องดำรงอยู่ได้ยอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เครื่องใช้สอยดำรงอยู่ของคบภูมิเหล่านั้นก็คือมาจากการทําบุญให้ทาน <c oughs> แม้แต่ในครั้งพุทธกาลท้าจะตัวโลกบาลทั้งสี่ที่ลงมาสู่โลกมนุษย์ โดยรับทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสู่เมืองก็ต้องลงมาอารักขาใช่ไหมลนะ่ะแต่ในระหว่างที่เดินทางมาอารักขานั้นเดินผ่านหน้าบ้านหญิงนางหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วสวดสวดสาธยายบทธรรมในบ้านพอได้ยินบทสาธยายบทธรรมในบ้านก็เลยยืนยยนิ่งฟังอยู่พอยืนนิ่งฟังอยู่ก็เลยมีความพอใจในบทสวดนั้นบทธรรมนั้นนะเมื่อมีการพอใจในบทธรรม จึงปรากฏตัวให้หญิงนางนั้นเห็นท้าจตุรโกาบาล น, นะปรากฏตัวให้หญิงนางนั้นเห็นอุบาสิกานางนั้นเห็นนาง น, นั้นก็เริถามว่าท่านเป็นใครพ้าจตุรโกรกาบาลก็บอกว่าเราเป็นพี่ชายของเจ้าอดีตชาติเราเป็นน้องสาวของเราแล้วก็ถามว่าท่านมาเพื่ออะไรมาทําไมพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เบืองนี้เราจึงลงมาอารักขาเราเป็นท้าวจตุรโกรกาบาัลบานที่อยู่โน่นจ้าตุลมหาราชิกา ท่านยินดีในบทสวดของเราหรือไม่ถามถามถามจตุรกบาลพระจตุรกบาลก็บอกว่าเรายินดีในบทสวดของท่านคําว่าบทสวดไม่ใช่บทสวดบทนะบทสาธยายทำสาธยายบททำคําสอนของพระสมมาสมภุริเจ้า mm hmm. เพราะอากสาธยายเพื่อปเป็นเครื่องเจริญจิตเจริญใจอย่างเช่นบททายกรรมฐานสีที่สอนให้ใหท่องไป น, ะนั่นแหละให้สวดกันนะ mm hmm. งั้นเราขอย ก, ยกส่วนผลบุญกุศลจากการสาธยายทำนี้ให้แก่ท่าน นงังนางนั้นบอกอุบาสิกานั้นบอกท้าจโตโรก บ, บาลเขาบอกว่าหากท่านปารถนาจะยกสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาเราหรือให้เราแล้วให้ท่านไปให้ท่านเออคือหากท่านจาปะปารถนาจะให้สิ่งที่ดีๆแก่เราแล้วท่านควรที่จะไปถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอุทิศบุญนั้นให้เรานั่นหมายถึงว่าเขายินดีบุญที่เกิดจากการให้ทานมากกว่าที่จะเกิดจากการสวดหรือเกิดจากการการรักษาศีลหรือทำสมาธิเข้าใจไหม เขายินดีบุญที่เกิดจากการให้ทานมากกว่านี่แค่เทวดา น, นั่นเองไม่ต้องพูดถึงเปรีย พ, พีสารในชั้นต่าที่จะต้องรับผลบุญเลยบุญที่เกิดจากการให้ทานด้วยวัตถุทานะเขายินดีมากกว่าบุญอย่างอื่นสวดมนต์เออสวดสาธยายบทธรรมเป็นบุญไหมเป็นทำสมาธิเป็นบุญไหมเป็นรักษาศีลเป็นบุญไหมเป็นเจริญปัญญาเป็นบุญไหมเป็นแต่เขาไม่ได้ยินดีมากเท่ากับใช่เอาอย่างนี้ดีกว่า มีคนเอาเงินมาให้เราสิบล้าน mm hmm. กับมีคนมา mm hmm. เอาเอาเอาบุญามามามาม า, มาบอกว่าเขาไปรักษาศีลมาขอแบ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้เราโดยไม่ต้องเอาเงินสิบล้านเราจะเลือกเอาอะไรเอาเงินส mm ิบล้านหนึ่งตัวถูกต้อง mm hmm. นั่นคือการเลือกที่ถูกต้อง mm hmm. ถามว่าเอาไม่เอาศีลเหรอ ศีลเรามีโอกาสรักษาได้ไหมได้ได้เรามีโอกาสรักษาเองได้แต่เงินสิบล้านนี่หายากชิบหายเลยน่าเข้าใจไหมสมาธิเหมือนกันสรรมดาเหมือนกันคล้ายกันนี่เอาเงินไว้ก่อนขนาดขนาด อะไรอาาถาบีที่ก่อเสถียรถวายทานจนหมดได้กินข้าวกับน้ำผักกาศดองอาหารดีๆเอาถวายพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ตัวเองยอมกินข้าวปลายกับน้ำผักกาดดองอดมืออิ่มมืออยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายเทวดาที่สถิตยอยู่หน้าประตูเรือนตากรตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าท่านเสถียรท่านก่อนให้ทานกับพระพุทธเจ้าให้ทานกับรอริยสงฆ์สาวกก็เห็นท่านดีขึ้นเลย เห็นท่านร่ำรวยขึ้นนีต่ท่านจนลงท่านจะให้ทานไปอีกทำไ ม, มเสถีก็บอกว่าเจ้าเป็นใครเทวาดาเขบอกว่าก็เราเป็นเทวาดาสถิตอยู่หน้าประตูบ้านของท่านโอ้เจ้าสถิตอยู่หน้าประตูเรือนเราเจ้ายังไม่รู้คุณค่าแห่งการให้ทานที่เราได้ให้ทานเลยเหรอมเมื่อเจ้าไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่เราได้ให้ทานเจ้าจงออกไปจากประตูเรือนเราไม่ให้สถิตยอยู่ที่นี่เราไม่ใหเจ้าสถิต ใช่หไหมคา <k ram> สั่งของมนุลมีอรูปภาพแล้วก็เป็นคำสั่งที่สามารถสั่งให้เทวดาออกจากเลือนได้เทวดาเราไม่ได้อยู่ภายใต้อารุภาพของเทวดานะทเทวดาอยู่ภายใต้อารุภาพของเราคำ <k ram> <k ram> สั่งของเราศักษรรษดิ์สิทธิ์กว่าใช่หไหม <k ram> <k ram> ปารากฏว่าเมื่อพระอนาถวิจิกาเศรษฐีสั่งอย่างนั้นปุ๊บเ <k ram> ทวดาจะเข้าไปสู่วิมาน ก็หลุดออกเข้าไปสู่วิญญาณก็หลุดอ อ, ออกอยู่ไม่ได้ไงเพราะสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้อยู่ผู<ม>้เป็นเจ้าบ้านนะใหญ่ที่สุดเขายายไหมใหญ่กว่าเทวดาที่อยู่ในบ้านใหญ่กว่าผีปีศาจที่อยู่ในบ้านแต่คนลูกวันนี้<ม>จัดสารครอบคลุขึ้น<ม>และไปไหว้เทวดาให้เทวดาเป็นใหญ่มไม่ยอมให้ตัวเองเป็นใหญ่<ม>ไปยอมกุ้มหัวกะไหว้เทวดาอันนั้นถือว่าลดคุณค่าตัวเองลงมาก<ม>อันาัานทัีกะเสร็จถีชี้หน้าเลย ไม่เห็นคุณค่าในการให้ทานในสิ่งที่เราให้เจ้าไม่ควรได้จะอยู่หน้าประตูเดือนเราไม่ควรเลยไม่สมควรเลยหาความเหมาะความควรไม่ได้เลยเนี้ยเพราะอาณาถาพิธีกรรเสด็จทีรักการให้ทานมากแม้ตัเองจะตายก็ยอมที่จะให้ทานไงนนไม่มีอะไรกินก็จะยอมที่จะให้ทานทีนี้เทวดาก็ไม่มีที่อยู่จึงล้องโควนคางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอะไรมาล่ะทเทวดา ข้าพระองไม่มีที่อยู่พระเจ้าค่ะเอาทำไมไม่มีที่อยู่เศรษฐีแม่ข้าพระเจ้าอยู่บ้านเรือนเอาแล้วเจ้าไปทําอะไรมาก็ข้าพระองค์ไปบอกให้เศรษฐีไม่ต้องให้ทานอีกแล้วเทวดเศรษฐีไม่พอใจก็เลยไล่ข้าพระเจ้าออกจากที่เศรษฐีประตูเรือนขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดผู้เจ้าก็เลยบอกให้เทวดานํามาขอขมาเศรษฐีเทวดาก็มาขอขมาเศรษฐีก็บอกว่าเราไม่รับการขอขมาท่านจต้องไปขอขมาพระเจ้า เทวดาก็ไปขอขอมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราไม่รับการขอ ข, อขอมาของเธอแต่ถ้าอยากจะให้โทษนี้ตกไปเธอจะต้องไปบอกขุมทรัพย์ที่ฝังดินไว้ให้กับเศรษฐีเห็นไหมพุทธเจ้ายังชีช้สมบัติเนี่ยพรมไม่ได้บอกว่าให้เศรษฐีนะรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไปนะพรมยังบอกว่าให้ให้ไปหาขุมทรัพย์มาให้กับเศรษฐีนี่เทวดาก็เลย แวะไปไปหาคุ้มทรัพย์แต่อดีตชาติที่ตัวเองเคยฝังไว้ในปางก่อน<ม>คืออยู่ในบริเวณบ้านเดือนทั้งเศรษฐีนั่นเองก็เลยไปบอกตรงเนี้ยุมฝังฝังคุ้มทรัพย์ไว้แปดสิบส<ม>ี่โกดให้เศรษฐีสองคนมาพุดเลย<ม>ก็พูดขึ้นมาได้แปดสิบสี่โกด์โกลดึงสิบล้านแปดสิบสี่โกดเป็นเท่าไหร่แ4ดร้ายสี่สิบ้าน แปด้สี่สิบล้านล้าน้านล้านอย่างงี้เล้วก็ประมานั้นแหละรวยหรือยัง<ว>ยก็ได้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมามมอีกเขาให้แต่ทานอย่างเดียวเทวดาก็จะได้อยู่เสาเดือนต่อไป<ม>แล<า><า>้วก็รอรับผลคุณจากเศรษฐีทานจะหมดแต่ก็ได้ของเต่บขึ้นมาอีกได้คืนมามนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ในทรัพย์เนี่ยยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อยู่ผูดดำรงชีวิตอยู่ในวัตถะสีนี้ประโยชน์ไหมมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่า ความสําคัญในดํำการในลงชีพก็คือทรัพย์สมบัติถูกต้องไหมทรัพย์สมบัติมั่นคือความสําคัญแต่จําไว้เลยว่าให้ทานไม่ใช่ว่าจะรวยได้บุญไหมได้บุญแต่ไม่ใช่ว่ามันจะรวยเพราะการให้ทานรวยว่าอะไรทําการทํางานแสวงหามาใช่ไหมหลักผู้ใาญจึงบอกวิธีการทําให้มีทรัพย์ในใน ใ, ในชีวิตในครอบครัวก็คือหนึ่งอุดท้าณสัมปทาน ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรสองอารคะธรรมสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาไว้ได้สมาและเก็บรักษาสะสมไว้สมสามาชีวิตาใช้ชีวิตให้เหมาะสมให้ให้พอดีแก่ฐานะของตัวเองอย่าใช้ทรั์เกินไปฟุ่มเฟือยมาก 4. กาลยานามิตตาคบเพื่อนให้คบเพื่อนที่ดี อยาพบเพื่อนที่ชักชวนไปในทางเสียทรัพย์สูญทรัพย์เขาจึงบอกว่าวิธีจำง่ายๆหนึ่งขยันหาสองรักษาวไว้ดีสามอะไรมีชีวิตที่พอเพียงใช่ไหมซีอะไรครบกัลยาณมิตรสี่อย่างจะทำให้คนผู้นั้น มีทรัพย์ถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆมันจะขาดหายไปไหนไหมไม่ขาดถ้าจ่ายไปเรื่อยๆมันจะมีเก็บไหมไม่หยุดนั่นกะ็คแค่นี้แต่บางคนเก็บจนตนีดีเนี่ยเก็บจนตนีเกินไปจนไม่อยากจะสูญเสียทรัพย์เลยกลายเป็นความทุกข์ในชีวิตกลัูทรัพย์แตสูญเสียไปหมดอันนั้นก็ตนีเกินไปเราจะต้องเดินทางสายกลางให้ถูกต้อง ต่อไปคําถามอะไรอะไรชี้มาที่นี่ต้องหันกล้องมาที่นี่กล้องต้องสูมมาที่นี่เพื่อที่จะทราบมูลเหตุเป็นความสงสัยชี้มาที่นี่กล้องซูมไปนู่นเห็นไหมเรียกว่าอะไรที่เห็นเนี่ยพุทธาฏ พุทธาอาจคืออะไร<ม>อาจมาจากคำว่าอาสนาะแปลว่าที่นั่งพุทธคือที่นั่งเพื่อพระพุทธเจ้าคือเลที่ประทับนั่งของพระสมณะสัมพุทธเจ้ามีคนตั้งคําถามไว้เป็นประเด็นหลายประเด็นว่า<ม><ม>การการมีตั้งพุทธาอาจไว้แล้วเรากราบไหวพุทธาอาจจะแตกต่างอย่างไรกับการมีพุทธรูปไว้แล้วเรากลาวไหวพุทธรูป ก็จะขออธิบายว่าพุทธรูปนั้นโดยส่วนมากแล้วเรายึดถือโดยความเป็นตัวแทนใช่ไหมตัวแทนตัวแทนใครพระพุทธเจ้าการที่เรากลาบว่า <c oughs> โดยการยึดถือพระพุทธรูปว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าแล้วกลาบแม้ในขณะที่กราบจะเป็นการละลึกถึงพระองค์อยู่ก็ตามแต่เป็นการละลึกถึงพระองค์ในรูปเปียบพอใช่ไหม ไม่ใช่เข้าถึงองค์โดยความเป็นพุทธะแท้แต่เข้าถึงองค์โดยความเป็นรูปเปียบที่เข้าใจว่าเป็นตัวแทนถามว่าพระพุทธเจ้าได้เคยบอกให้พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระองค์ในศาสนานี้หรือเปล่าในการถ่ายภาพหน้าพวกเธอทั้งหลายจงปั้นรูปเคารพที่เป็นรูปเหมือนของเรารูปเปียบของเราขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของเราสถาปน์พุทธเจ้าได้สอนมาอย่างนี้ไหมได้สอนไหม ไม่ได้สอนไม่ได้บัญญัติทีนี้เมื่อพระองค์ไม่ได้บัญญัติไวไไไ้ไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นการตั้งพุทธรูปไปเป็นที่กาาราบไหว้เคารพสักการะบูชาก็ถืว่าเป็นการตั้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตไว้ทีนี้บางคนก็บอกว่าพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตก็จริงแต่ก็ไม่ได้ห้ามถ้าทีของพุทโธองคนะ์น่ะบางอย่างพระองคไม่จำเป็นต้องห้ามก็ได้ แต่มันมีท่าทีโดยหลักคําสอนเก่ายืนยันหลักการไว้อยู่แล้วว่าควรทําหรือไม่ควรทํามันไม่จำเป็นต้องมาให้ผู้ได้เจ้าบอกว่าอย่าทําอันนั้นจงทําอันนี้ไม่ใช่จะเทศตามบอกเราไปเสียทุกเรื่องเข้าใจไหมใช้ปัญญาบ้างใช้การขบคิดบ้างเอาหลักคําสอนมาเป็นเครื่องตึกนึกไตรตรองในใจเราบ้างในบทธรรมที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต้องสูเมนู บทธรรมนี้ก็กำกับไว้อยู่แล้วว่าแม้จะมีตัวพุทธองค์อยู่ก็ตามก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์หากบุคคลนั้นไม่ได้เห็นธรรมใช่ไหมและก่อนจะปฏิพปานตระรัดไปอีกตัดไว้ยังไงอ่านพร้อมกันดูก่อนอ่านรู้ทำก็ดีวิธีไหนก็ดีอันใดเราแต่งแล้วได้กันอย่ไปแล้วแก่พวเธอ ธรรมและวินัยอันั้นจะเป็นศาสดาแห่งพวกเราโดยการรวบไปของเราที่อ่านจบไปเมื่อกี้นี้นั่นหมายถึงว่าธรรมและวินัยอยู่ในสถานะเป็นพระศาสดาเป็นพระศาสดาของพวกเราอยู่ในทุกวันนี้เท่ากับว่าพระศาสดายังคงอยู่ไหมอยู่หากธรรมและวินัยยังคงอยู่พระศาสดายังคงอยู่อยู่ในรูปแบบของธรรมและวินัยถูกต้องไหมถูก เราจะกราบพระศาสดาเราจะกราบที่ไหนเมื่อพระศาสดาอยู่ในรูปของธรรมวิเนยเราจะกราบที่ไหนก็กราบที่ธรรมที่วินัยใช่ไหมกราบแบบไหนล่ะพระองค์บอกในธรรมในวินัยนั้นสอนให้พวกเราเคารพกราบไหว้พระองค์อย่างไรละลึกใช่ไหมละลึกเหรอในธรรมวิเนยนั้นสอนไว้ว่าให้ละลึกแล้วการละลึกนั้นก็เข้าถึงพระองค์แล้วใช่ไหม สันนัตแปลว่าการระลึกทำมังสานังคาฉามีก็ถึงพระองค์โดยการระลึกสังฆสานังคาฉามีก็ถึงพระองค์โดยการร ะ, ะ, ะ, ะลึกแล้วระลึกก็กาบจากกาที่ไหนก็ตามถึงพุทธองค์ใช่ไหมถึงโดยธรรมใช่ไหมโดยวินัยเพราะในธรรมวินัยกำหนดไว้อย่างนั้นทีนี้การตั้งพุทธาฏาาไว้ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเป็นตัวแทนพุทธาฏไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าเลยแต่ในพังพุทธการนะพุทธาสาวกที่เป็นภิกษกุจะอยู่ในป่า ในเขาในป่าชา้าในถ้ำในบ้านเรือนหรือในที่ไหนก็ตามเขาจะมีการจัดตั้งพุทธอาอักไว้หรือตั้งอาสนะไว้อย่างนี้เพื่อมีความประสงค์อยู่ในใจว่าหากพระพุทธองค์เสด็จมาจาักได้มีที่ประทับหรือแม้ถ้าพุทธองค์ไม่เสด็จมาก็ตามแต่การตั้งพุทธอาอักไว้เขาก็ประสงค์ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามพุทธองค์ก็ประทับอยู่กับเราอยู่ในที่นั้ น, น, น แม้พระองค์ไม่เสด็จประทับไปหรือไปอยู่นะ ก, ก็เหมือนกับว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราแล้วเราก็หันมาที่พุทธาอาที่ประทับนั่งของพระองค์กาบแล้วเราลึกถึงว่าพระสุงภชประทับนั่งอยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังเป็นการสร้างความรู้สึกขึ้นมาในสมัยที่อาตมาอยู่กับครูบาอาจารยนะ์วัดปฏิบัติทางสายกรรมฐานทางรูกผูมั่น เขาจะมีข้อวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เป็นข้อคิดสําหรับตัวอตาตมาเองสมัยที่อตาตมาอยู่กับรูกปู่คำสุขอตาตมาต้องจัดจัดอาสนะให้กับครูบาอาจารย์ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้ท่านนั่งะจัดอาสนะให้ท่านนั่ง um ในช่วงเวลาที่ท่านไม้อยู่อาตมาก็อัดจัดอาสะนะเวลาท่านมานั่งอจในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ท่านมานั่งแล้วก็กราบไหว้ท่านใช่ไหมล่ะ ก่อนจะฉันอาหารหรือทําอะไรก็ตามในเวลาเช้านะเราก็กราบไหว้ท่านทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันในวันที่ท่านไม่อยู่ทีเนี้ยวันที่ท่านไม่อยู่ใบกิจนี่หมุนที่โน่นที่นี่หลายวันอาตมาก็จัดอาสนะนั่งตั้งไว้และกราบไปที่อาสนะโดยการตั้งความรู้สึกไว้ว่าครูบาอาจารย์นี่คือที่นั่งของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั่งที่นี่เราก็กราบขอรบครูบาอาจารย์ที่นั่นกราบรบปูที่นั่นและเมื่ออาตมา ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานเนี่ยพาอาตมาไปที่ไหนๆก็ตามไปแล้วไม่เจอครูบาอาจารย์ในสำนักนั้ น, น, นๆเช่นไปหาลงุงปู่หลวงตาองค์นั้นองค์นี้อันเป็นที่ เ, เป็นพระมหาเถร่าที่คุณค่าแก่การเคารพไปแล้วไม่เห็นแล้วเราจะกาไว้อะไรโดยความรู้สึกที่สายกรรมฐานเขายึดถือมาเขาจะไปที่อาสนะแม้ท่านไม่อยู่ก็ตามไปที่อาสนะไหนอาสนะของครูบาอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนเขาจะถามเลยนะเขาก็จัดตั้งอาสนะขึ้นมา พอจะตั้งอาสนะขึ้นมาลูกปู่ก็พากาบที่อาสนะนั่นเหมือนกับว่าลูกปู่ล้มตาครูบาอาจารย์นั้นยังอยู่ที่นั่นแม้ท่านละชีวิตไปแล้ ว, วาก็กราบที่อาสนะอานะจึงเป็นบริโภคใจดีอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกราบไหวแต่ไม่ได้กราบไหวโดยเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนกราบไหวโดยเป็นเครื่องตั้งแห่งตั้งตั้ ง, งความระลึกหรือความรู้สึกไว้ในใจนะเข้าใจไหม นั่นหมายถึงว่าแม้พระองค์ปรินิพานไปแล้วก็ตามเราก็ยังสามารถกราบไหว้ผู้องค์ได้สายกรรมฐานก็จะทํากันอย่างเนี้จัดอาสนะหลวงปู่ไว้กราบก็เหมือนกับว่าหลวงปู่ยังปรงอยู่เขาให้ความพอรบกันถขงขนาดขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ได้จัดอาสนะไว้แล้วปั้นรูปของหลวง ป, ปู่ขึ้นขอให้มีรูปเหรียญหลวงปู่ตั้งไว้รูปรอไว้ไม่งั้นเหมือนกับ ว, ว่ากราบไม่สนิใจ โอ้ไม่มีลูกลู ป, ปูเหมือนกับกาบไม่สนิทใจในความรู้สึกของคนนะกาบให้สนิทใจแล้วก็ท่ากับว่าใจพองเรามันมันบกพร่องอยู่ตลอดคล้ายๆกับว่าทําไมเราจะต้องมาสร้างความบกพร่องในใจเราด้วยความรู้สึกว่าถ้าไม่มีรูปหล่หอลงลูปูองนั้นอง น, นี้เราจะกาบไม่สนิทใจทําไมไม่กราบให้สนิทใจไปเลยแม้ไม่มีรูปเคารบอาตมาว่าไม่มีรูกระลบเนะี่ะมันสนิทใจมากกว่านะมันเหมือนกับเป็นเครื่องทําให้เราได้รู้ว่า เราสามารถเข้าถึงพระองค์ท่านได้เลยเข้าใจไหมเข้าถึงได้เลยอยู่ในป่าใองเขาไม่จําเป็นต้องแบกรูปพข้รถไปไม่ต้องมีพบทรูปเข้าไปนะไม่ต้องคกพาไปอย่างนั้นแม้แต่ศาสนาที่มาสู่สุวรรณภูมินั้นพระโสอุตระพระโสอุตระทานิยะพะโมนิยะที่เข้ามาในครั้งแรกก็ไม่ได้เอาบทรูปเข้ามาก็เอาหลักคําสอนเข้ามาสอนคน ก็ยังกราบไหว้ถึงพุทธเจ้าพราะธรรมระสงุงได้การาบไหว้พระรัตนตรัยได้เนี่ยเพราะนั้นการตั้งพุทธาฏไว้อย่าเข้าใจว่าเป็นการตั้งไว้เพื่อเป็นตัวแทนหรือสิ่งแทนไม่ได้ตั้งไว้เป็นสิ่งแทนแต่ตั้งไว้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับพวกเราอยู่ประทรับโดยการด้วยธรรมและวินัยหมายถึงว่าเราเข้าถึงพระองค์โดยธรรมนามไม่เข้าถึงโดยรูปพุทธะที่เป็นรูปกับพุทธะที่เป็นนามนะ พุทธะที่เป็นรูปนั้นพระพุทธเจ้าไม่สารเสริญแต่พระองค์สารเสริญพุทธะที่เป็นนามพุทธะที่เป็นนามคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมพุทธะที่เป็นนามคืออะไรภาวะอันที่รู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมแล้วภาวะอันที่รู้ตื่นเบิกบานคือพุทธะที่เป็นนามเนี่ยรู้อะไรจึงตื่นรู้อะไรจึงเรียกว่ารู้หรืออะไรจึงตื่นหรืออะไรรู้อะไรจึงเบิกบานรู้อะไร นั่นแหละคำนั่นคืออะไรอะไรเนี่ยคือคือคือพุธธทธ<ำ> so. เราต้องเข้าใจครับว่าพุท ธ, ธเนี่ยไม่ใช่คําที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆศาสนาและไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกๆคนพุท ธ, ธนี่นะใช้เจาะจงเฉพาะเป็นคุณสมบัติเฉพาะเป็นความอาเป็นภาษาเอกเทศเป็นภาษาพิเศษเฉพาะ เป็นภาษาที่กํากับในเรื่องอะไรในเรื่องของสภาวะพิเศษพูดถึงสภาวะพิเศษเพราะฉะนั้นพุทธะไม่ได้ใช้พลังเพื่อพุทธโลกมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่ารูปไม่อยู่ในภาวะแห่งความเป็นพุทธะมันมันมันอยู่ไม่ได้ อะไรอยู่ในภาวะแห่งความเป็นพุทธะเอาอย่างนี้ดีกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ใช่ไหมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รู้อะไรจึงเรียกว่าเป็นผู้ตื่นรู้อะไรจึงเชื่อว่าเป็นผู้เบิกบานรู้สัจธรรมใช่มาแล้วเนี่ยผู้รู้มาแล้วรู้ทุก รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบันให้ถึงความดับทุกข์เอออันนี้ถึงจะสมอยู่กับอยู่ด้วยกันมานาะ <c ười> <reactors> อันนี้ไม่รู้พึ่งจะมาใหม่มั่งเด็กเนี่ยเด็กใหม่เน <c ười> ี่ตอบไม่ค่อยได้กันห <c ười> ากยังไม่รู้ทุกข์ <c ười> ยังไม่ชื่อว่าปเป็นพุทธะห า, ากยังไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่ชื่อว่าปเป็นพุทธะห า, ากยังไม่รู้านานความดับไปของทุกข์ก็ยังไม่ชื่อว่าปเป็นพุทธะ หากยังไม่รู้ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็ยังมีชื่อวะเป็นพุทธะพุทธะจึงเป็นข้อจำกัดพิเศษสําหรับผู้ที่รู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลที่รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คนแรกคือใครคนแรกในโลกที่รู้พวกนี้คือใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือสมณะโคดมแล้วผู้ที่รู้ตามคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุก ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสาวกพุทธะใช่ไหมพุทธะนี่คือเป็นสัมมาสัพพุทธะรู้เองโดยชอบเป็นคนรู้ก่อนแรกแต่รู้ตามสัมมาสัพพุทธะนั้นคือสาวกพุทธะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นสาวกพุทธะหรือเป็นพุทธสาวกได้คนนั้นจะต้องรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกรู้ ทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์เห็นไหมแล้วเรามารู้งูงูปลาปลากันรู้การทํลารูปเคารพรู้พิธีการรู้นั่นรู้นี่เข้าถึงพุทธะหรืเป็นพุทธาสาวบอกหรือยังรู้แค่การสวดมนต์เข้าถึงพุทธาสาวบก ค, ความเป็นพุทธาสาวบอกหรือยังถามว่าใครที่สามารถรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์ได้รู้ทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ได้บ้างใครไม่ใช่พุทธเจ้านับเรื่องในจําพวกไหน ที่สามารถรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์ได้รู้ทางปฏิบัติเห็นความดับทุกข์ได้นับเนื่องในจางพวกไหนนับบุคคลใดพระโสดาบันอ่าพระโสดาบันแต่คำว่าสโสดาบันนั้นคือผู้บรรลุแล้วเข้าใจไหมแต่พระวกนับตั้งแต่สโสดาปฏิมาคือผู้คือผู้ภาคเพียรเพื่อความเข้าไปสู่ความเป็นสโสดาบันเรียก ว, ว่าสโสดาปฏิมาเรียก ว, ว่าผู้กําลังเดินหนทางอยู่เพราะคนที่เดินหนทางอยู่จะต้องใช้ความรู้ทุก รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิปปได้ถึงความดับทุกข์เป็นเครื่องดําเนินเมื่อดําเนินไปถึงแล้วเรียกว่าโสดาบันเขยยไหมและเดินต่อไปอีกสเข้าสู่ความเป็นสากาาทาคามีก็ใช้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิปปได้ถึงความดับทุกข์เป็นสากาาทาคามีบเมื่อเดินถึงแล้วบรรลุแล้วเป็นสากาาทาคามีเดินต่อไปอีก เป็นอนาคามีมั้บรรลุถึงแล้วเป็นอนาคามีเดินต่อไปอีกเป็นอรหัตตมัเข้าถึงแล้วเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงนับเนื่องบุคคลผู้เป็นพุทธสาวกตั้งแต่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันแม้ยังไม่เป็นก็เป็นพุทธสาวกแล้วแต่หากบุคคลใดก็ตามนับถือุศาสนาแต่ไม่มีความภาคเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นโสดาบันนับเป็นพุทธสาวกได้ไหม ไม่ได้ไไดจะไว้เลยนะไม่ได้แล้วเป็นอะไรเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนเป็นชนที่พยายามจะเข้าถึงความเป็นพุทธะเข้าใจไหมคืออยากจะดำเนินตามหลักอริยสัจสีแต่ยังดเนินตามไม่ได้เลยแค่เป็นผู้ประกาศการนับถือเลื่อมใสเลื่อมใสอะไรเลื่อมใส ผู้รู้เองโดยชอบคือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลื่อมใสว่าสัจธรรมทั้งสีเนี่ยเป็นสัจจะแท้เป็นความจริงเลื่อมใสว่าเราปฏิบัติไม่ได้และแต่เลื่อมใสในบุคคลผู้ปฏิบัติไปได้โอ้โหเขาปฏิบัติไปได้น่าเลื่อมใสนะใช่ไหมเพราะนั้นการนับถือพุทธะคือนับถือบุคคลผู้รู้อริยรรสี่โดยความเป็นผู้แรกเป็นสมมาสมุทธ h นับถือประธรรมคือสัจจะสีนี้ว่าเป็นสัรจจะจริงไม่ไม่หนีจากความเป็นอย่างนี้และนับถือผู้ปฏิบัติในหลักสัจจะ คือเขาปฏิบัติได้พุทธศาสนิกรชนคือผู้ที่ชั้นชั้นที่เรียกว่าขอเลื่อมใสเขาจะยังเป็นผู้เลื่อมใสแต่ตนเองยังทำไม่ได้<ม>จัดเป็นพุทธศาสนากรชนยังไม่ใช่พุทธสาว<ม>นะแยกให้ออกนะกลุนะ่มนี้เป็นเขาเรียกว่าการลายานชน กัลยาณ์นาบุตรชน น, น่ะเรียกว่ากัลยาณช น, นเป็นบุตรชนที่ใยดีเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติในหลักอริยสัจเลื่อมใสในตัวขเขาตนเองยังทําไม่ได้ขอเลื่อมใสเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใยดีหามีโอกาสวันใดวันหนึ่งจะขอปฏิบัติตามใน ก, กลุ่มพวกเรานี้ปฏิบัติหรือ ย, ยังปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ถึงเดินช้ากันเลื่อน ทำไมถึงเดินช้าก็หันหลังไปก็น้องเพลงหันหลังไปอ่ยน้องนิดหันหลังไปก็หอหันหลังไปรถคันนี้ยังติดนั่นติดนี่ว่าไปหันหลังไปนี่ยังค้างอยู่ก็เลยเดินไปไม่ได้ทีเดี๋ยวพอกลับไปใช้ก่อนใช้นี่ก่ันใช่ไหมใช่ นั่นคือวิสัยของชาวโลกแต่พยายามจะ อ, อยู่ใช่ไหมพาย า, มพายามอยู่เปียนหนาเรื่อมใสยอยู่นะดีกว่าคน ไ, ไม่พยายามไม่น่าเรื่องใสเลยเนคนที่พยายามอยู่ยังหน่าเรื่องใสยอยู่เป็นบุรุษชนที่หน่าเรื่องใสก็ยังจัดอยู่ในพุทธสาวบแต่ยังเข้าไปไม่ถึงพุท ธ, ธาบางคนก็บอกว่าหลักปฏิบัติมันเยอะจังเลยพระอาจารย์ไม่รู้จะยึดหลักปฏิบัติอะไรดี ในในวิธีปฏิบัติในในทุกวันนี้ทำฌานทำสมาธิกันก็มีเยอะเห็นผีปีศาจฝึกเห็นมโนมยิทธิเห็นเทวราเห็นสวรรค์เห็นพรมเห็นเห็นกะทั่งนิพพานเพาว่าอย่างฝึกมโนมยาทติเห็นถึงนิพพานใช่แล้วและสามารถเข้าไปนิพพานได้ด้วยในมโนมายธินั้นโดยบอกว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พูดไปอย่างนี้จะผ่าดทิงถึงวิธีปฏิบัติของสํานักหล่นละมงของดการพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการผาดทิ้งกันทีนี้ <c oughs> เมื่อมีหลักปฏิบัติอย่างนี้มีมากเข้า <c oughs> หลักของการฝึกจิตก็มีเรียกว่าดูจิตประเภทดูจิตนี้มีหลากหลาย ดูจิตเฉยๆอย่างนึงมีคือรู้ซื่อๆอะไรวะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องคิดอันที่2ฝึกจิตด้วยการรู้สึกตัวอันที่3รู้การเกิดการดับของเวทนาสัญญานิจตอันนี้พบเพิ่มดูจิตแล้วก็ฝึกจิตด้วยการดูอะไรนเคลื่อนไหวฝึกสติเคลื่อนไหวให้มีสติเชิพันธะคือการฝึกอย่างนั้นมันได้ผลให้แค่ความสงบ ความสงบที่เกิดขึ้นกิเลสอาจจะไม่เกิดในเวลานั้นเข้าใจไหมกิเลสอาจจะเกิดไม่เกิดไม่เกิดในเวลานั้นแต่มันจะเกิดในเมื่อความสงบนี้เสื่อมลงไม่เสื่อมในชาตินี้ก็จะเสื่อมในชาติหน้ามันเสื่อมระเภทดูจิตนี้นะมันไม่ได้สามารถทำลายอาสวะในจิตได้คือยังไม่ทำลายอาสวะกิเลสใ จ, ย, จยังไม่ใจยังไม่สามารถเข้าถึงมาผลนิพพานได้ การจะเข้าถึงมา ก, มากผลนิพพานได้ต้องรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกรู้ทางปฏิบัติถึงความดับทุกเท่านั้นมันเป็นข้อจำ ก, กับเลยว่าต้องเข้านั้นนะมันรู้อย่างอื่นไปไม่ได้มันต้องรู้อย่างนี้จะมารู้ซื่อๆโดยไม่คิดรู้ตรงโดยไม่ต้องคิดอย่างงี้ไม่ได้ทนได้ไหมทําได้แต่มันไม่ใช่ถึงผลแห่งการบรรลุมันใช่ไม่ได้มันได้แค่สติสัพชัญญามีสติภายในปัจจุบัน ถามว่าดีไหมดีแต่ดีในชั้นความเป็นไปในโลกียาวิสัยไม่ใช่โลภุตระวิสัยโลกียะคือยังผลไปในโลกโลภุตระคือออกจากโลกเดี๋ยวา่าเข้าถึงมาผลนิพพานมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงมาผลนิพพานคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทำปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อะไรคือตัวทุกข์ากายกับใจอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ ต, ตันหาสารอะไรคือความดับไปของทุกข์ความดับไปของตันหาคือความดับไปของทุกข์อะไรคือทางปฏิบัติที่ความดับทุกข์คือการรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดแล้วก็รู้ความดับไปของเหตุที่เกิดน <c ười> <c ười> <c ười> ั่นแหละคือทางปฏิบัติที่ความดับทุกข์คือมากทําอยู่อย่างเงี้ยใจ่ไหม จึงจะสามารถเข้าถึงอาสวะกิเลสได้หรือถึงความสิ้นไปของอาสวะกิเลสได้หากไม่ทำอย่างนี้เข้าถึงความสิ้นไปของอาสวะกิเลสไม่ได้ทีนี้ความที่คนไม่แยบภายในการนําคําสอนของวิญญาไปสอนนั้น่มักจะสอนด้วยความรู้สึกของตนเองไม่ได้สอนไปในหลักคําสอนที่ถูกต้อง แล้วใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นเครื่องวัดแล้วสอนลูกศิษย์ไปต า, ตามความเข้าใจตัวเองเข้าใจเนื่องเพราะเราครูอาจารย์ทั้งหลายนั้นเอาสิ่งที่ตนเองเห็นสาภาพที่ตนเองรับรู้เป็นเครื่องยืนยันในการสอนผลอตมาไม่ได้เอาสิ่งที่อตมาเห็นมาเป็นเครื่องยืนยันในการสอนผล อาตมาเอาสิ่งที่อาต ม, มาเห็นเป็นเครื่องยืนยันในตัวเองว่าตัวเองเห็นประจักษ์ชัดในนั้นแล้วยืนยันกับตัวเองแล้วก็ตัดความสงสยัยภายในตัวเองแต่การสอนจะเอาหลักคําสอนของพระเจ้ามาสอนหากหลักคําสอนหรือสิ่งที่ตัวเองรู้และเห็นใดๆก็ตามขัดกับหลักคําสอนพระเจ้าจะไม่สอนในเรื่องเหล <armies. S 2> ่านั้นจะไม่สอนจะสอนในสิ่งที่มันเข้ากันกับหลักคําสอนของพุทธเจ้าเพราะเรื่องมันเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตนที่ปรากฏเฉพาะตน ตัดความสงสัยในเรื่องของเฉพาะตนจะเอาไปเป็นเครื่องวัดสําหรับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักคําสอนที่ไม่ตรงกับสิ่งที่โบงทรงสอนจะชื่อว่าเป็นทำคําสอนในศาสนานี้ได้หรือเปล่าเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันก็จะเป็นแค่คําสอนของอาจราอาจริยว่าอัจจริยกา่าวาทวของครูบาอาจารย์เท่า น, นั้นเองคืออาจารย์นําอุบายของตนเองมาสั่งสอนลูกศิษย์ แต่เราอย่าลืมว่าอุบายทําในาศาสนานี่พระเจ้าวางอุบายไว้หมดแล้วเอาอุบายของพระเจ้ามาใช้น่ะได้ผลได้ผลดียิ่งกว่าและไม่ค่อยจะหลงทางที่ต้องพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามีคนที่เคยปฏิบัติในแนวอย่างที่ว่านั้นหลงวนอยู่กับการปฏิบัติและหลกเข้าใจผิดในสิ่งที่ตัวเองเข้าถึงว่าเป็นเครื่องบรรลุแล้วถูกตัดสินและตีความหมายจากครูบาอาจารย์ว่าตนเองก็เป็นผู้บรรลุ ด, ด้วย และตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุครูบาอาจารย์ก็มาเข้าใจในตัวเราว่าเป็นผู้บรรลุแต่ในขณะต่อมามีความสงสัยในตัวเองอยู่ว่าใชบรรลุจริงหรือเปล่าอย่านีมีความสงสัยเกิดความสงสัยในตัวเองแล้วก็เอาคําที่ครูบาอาจารย์มาพยากรณ์ตัวเองว่าก็ครูบาอาจารย์ว่าเราบรรลุแล้วเราก็ต้องบรรลุสินะเป็นอย่างนั้นไปอย่างที่อาจารยมาพูดตั้งแต่เมื่อวานหากเราลู่ชัดในตัวเองว่าเราเป็นตัวเองตัวเองเป็นอย่างไรจะต้องมาให้ใครพยากรณ์ตัวเองไหม ไม่ต้องไอคนที่คอยให้ตัวเองไปให้ครูบาอาจารย์พยากรณ์หรือให้คนนั้นคนนี้เป็นพยากรณ์ให้ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่คอยบอกคอยตัดสินตัวเองไอคนนั้นน่ะคือคนที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เริ่มหลงไปแล้ว<ม>เรื่องพวกนี้เป็นปัจจตังในเฉพาะตนไม่สามารถพยากรณ์กันได้เรารู้ในตัวเราก็จบในตัวเราก็แค่นั้นเองจะให้ใครเป็นพยากรณ์ทำไม ใครถามมาอินอะไรอินีมันเล่สักอย่างเอาละอินอินนี่แหละนะที่ถามเข้ามาอินอินเนี่ยราบถามพระอาจารย์ครับการที่พูดว่าเอาบุญมาฝากจากการไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบุญสามารถเอาไปฝากกันได้ด้วยหรือครับฝากได้สมมุติคนหนึ่งไปวัดไปทําบุญมาถลายทานมากลับมาถึงบ้าน แล้วเจอเพื่อนเจอญาติเจอพี่เจอน้องแล้วไปพูดกับเขาว่าวัาวนนี้เราไปทําบุญมานะขอแบ่งปันบุญที่ไปทํามานี้ให้กับท่านแล้วยาตพี่น้องเพื่อนนั้นตั้งจิตดีๆอนุโมทนาสาธุด้วยการอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เราทําดีมาทําบุญมาก็เกิดเป็นบุญสําหรับคนที่อนุโมทนาด้วยแบ่งอย่างนี้ได้ทําอย่างนี้ได้นพี่ๆกลับไปถึงบ้า น, นก็บอกว่าน้องฮิดเอ้ยเอาบุญมาฝากแล้วนะไปทําบุญกับพระอาจารย์มา น้องนี้ก็สาธุน้องนี่ก็ได้บุญด้วยเคยเคยพูดไหมอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับไปเคยเคยนําคําสอนไปพูดไปพูดอยู่แต่ไม่เคยแบ่งบุญให้เขาเรื่องงานค่ะก็เลยเนี้ยก็เลยอย่้พูดต่อบุญน่ะก็น็ถือว่ายังโอเคยังโอเคอยู่ ผมแล้วบ้างคำถามหายคล่องใจหรือยังเรื่องพุทธอานเรื่องการปฏิบัตินะมันหลากหลายการปฏิบัติตั้งยิ่งไปอ่านยิ่งทำให้อัตมารู้สึกเอ๊ะทำไมแต่ละคนครูบาอาจารย์สอนไปคนละทิศคนละทางกันไปเสียทั้งหมดอยู่ในหลักศาสนาเดียวกันทาไมไม่ยึดถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักจ เ, เกณฑ์ สิบโมงครึ่งนะ <c oughs> ก็วันนี้คงต้องใช้เวลาในการอธิบายธรรมะและตอบคำถามกับญาติโยมแต่เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนทุกๆท่าน